ให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสท้องลมหายใจของตัวเราเองให้ชัดเจนนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายหยุดความลึกคิดปรุงแต่งต่างๆเอาไว้ชั่วครั้งชั่วคราวถึงเราดับหยุดไม่ได้เด็ดขาดฟังไปด้วยโน้มจำเนียรไปด้วยหลงสูุดลมหายใจเข้าไป ย, ยาวๆลึกๆ แล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆสักสองสามเที่ยวกายของเราก็จะสบายขึ้นเยอะใจของเราก็จะสงบตั้งมั่นขึ้นความรถถู้สึกสัมผัสของลมหายใจใก็จะชัดเจนเราพยายามสร้างความรู้ตัวซึ่งภาษาธรรมะท่านเรียกว่าเจริญสติรู้ให้โตเนื่อง ซึ่งเรียกว่าสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมจนกลายเป็นสติกลายเป็นมหาสติส่วนการเกิดการดับของใจนั้นมีอยู่เดิมการเกิดการดับของขันหาหรือความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจนั้นมีอยู่เดิมเรามาสร้างความรูรร้ตัวตัวใหม่ซึ่งเรียกว่าสติเรียกว่าปัญญาส่วนบนส่วนสมอง เขาไปควบคุมใจซึ่งอยู่ส่วนกลางอยู่กลางหัวใจของเรานั่นแหละความคิดเขาก่อตัวตรงไหนก็อยู่กลางหัวใจของเรานั่นแหละเขาเริ่มเกิดอย่างไรอาการอย่างไรปัญญาส่วนบนหรือว่าความรู้ตัวนี่เราต้องสร้างขึ้นมาเราก็รู้จักเอาไปใช้เอาไปอบรมใจของเราใจของเราเกิดกิเลสล้วก็พยายามละกิเลสใจเกิดปุ่งแต่งส่งไปภายนอก เราก็รู้จักหยุดรู้จักดับดับหยุ ด, ดตั้งแต่ต้นเหตุใจของเราก็จะนิ่งอันนี้เขเรียกวิญญาตควบคุมใจหรือว่าสติควบคุมใจพยายามปรับสภาพใจของเราให้มีความอ่อนโยนอ่อนน้อมมีผมมีหารมีความเมตตามองโลกในทางที่ดีแก้ไขใจของเราหรือว่าแก้ไขวิญญาณของเรานั่นแหละนี่ความคิดที่พุดขึ้นมา ที่เราไม่ตั้งใจคิดซึ่งเรียกว่าอากาศนกขันหา้าใจเคลื่อนเข้าไปรวมถ้าเรารู้เท่าทันใจเขาจะคลายออกจากกันนี่แหละความหลงความหลงซึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกน้ําถ้าคลายออกเรียกว่างายของที่คว่ำหรือว่าพิกจากสมมุติไปหาวิมตุตตินี่ความรู้ตัวทั่ ว, วพร้อมรู้ใจเห็นการเกิดการดับของความคิดที่ผดขึ้นมาปรุงแต่งใจ ซึ่งเรียกว่าเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาในขันหะเรื่องอดีตเ็าเรียกว่ากล่องของสัญญากองของสังขารกองของวิญญาณกองของรูปที่ท่านเรียกว่าเป็นกล่องๆ ง, งแยกแยะตรงนี้ได้เราก็เข้าถึงความหมายนั้นๆเราพยายามหัดสังเกตหัดวิเคราะห์หัดอบรมใจของเราให้ได้ จเจริญสติก็รู้จักลักษณะของสติเอาไปใช้อบรมใจก็รู้ฐานของใจรู้ลักษณะของใจส่วนมากจะทําตามอําเภอใจคิดก็รู้ทําก็รู้ทั้งที่ใจเกิดอยู่เราดับความเกิดของใจหนุนกําลังสติปัญญาไปทำนาทีแทน ชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็นผลต้องเข้าถึงเหตุถึงผลจนใจของเรายอมรับความเป็นจริงว่าอาการองคขันห้าเป็นแค่เพียงอาการเป็นแค่เพียงมายา <c oughs> ส่วนกิเลสเกิดขึ้นที่ใจเราก็จัดการเราก็ดับเราก็ละไปเรื่องเดียวนี่แหละที่จะต้องศึกษาค้นคว้าทั้งจะตื่นขึ้นมาจนกระทั่งหมดลมหายใจ ขณะนี้ใจของเราสงบใจของเราสะอาดใจของเราบริสุทธิ์ทำความเข้าใจกับปิญญาณในขันห้าของเราทำความเข้าใจกับโลกธรรมในสิ่งที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยว งานไก่งานไก่ประโยชน์ไก่ประโยชน์ไก่ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของคนอื่นเป็นเรื่องของเราทุกคนยิ่งอยู่ด้วยกันหลายคนหลายท่านก็พยายามสร้างความสมัครสมาสมัครคีรู้จักสารวมกายว่าใจาใจของเราตะลอดเวลามีความสุขในการทำงานมีความสุขในการรู้ใจของเรามีความสุขในการอบรมใจของเราว่าเราจะดำเนินไปอย่างไรมาอย่างไรใจของเราเกิดธกิจเที่ยว แต่เราวันแต่ละนาทีเหตุจากภายนอกมาทําให้ใจเกิดชักกี่ครั้งสติปัญญาของเราเอาไปใช้การใช้งานได้หรือไม่ไม่ใช่ว่าฝึกสติไม่รู้จักสติเอาไปใช้ฝึกใจไม่รู้จักใจได้แต่ปฏิบัติมันก็ปฏิบัติอยู่ที่เปลือกที่กะพี่ปฏิบัติแบบหลงๆงมๆ ง, ง, ง, ง่ายๆไม่รู้ความเป็นจริงเขเื่อไม่รู้แจ้งเห็นจริง เราต้องเจริญสติเข้าไปรู้เท่าทันตัน้งแต่ต้นเหตุกลางเหตุปลายเหตุรู้ไม่ทันก็ดับก็เรียกว่าใช้สมถะเข้าไปดับถ้าเราแยกแยะได้ทำความเข้าใจได้นี่จะมีความสุขอ่านหนังสือเล่มไหนก็เข้าใจฟังธรรมะที่ไหนก็เข้าใจ เราก็จะเข้าใจในภาษาธรรมภาษาโลกเข้าใจในคำสอนของพระพุทธองค์ทันทีว่าอัตตาเป็นลักษณะอย่างนี้นัตตาเป็นลักษณะอย่างนี้เอือ้อสั์สีใจส่งไปภายนอกทุกส ม, มุทัยี้โรดการดับสาเหตุแห่งการเกิดเป็นอย่างนี้มีหมดอยู่ในใกายของเรา <c oughs> เว้นเชต่ว่าเราจะรู้จะเห็นทุกเรื่องทุกอย่างหรือไม่ กำลังสติที่เราสร้างขึ้นมาถ้าใจคลายออกจากขันห้าได้ตามดูรู้เห็นความเป็นจริงได้กำลังสติก็จะพุ่งแรงกลายเป็นมหาสติจากมหาสติก็จะกลายเป็นมหาปัญญาคนคว้าทุกเรื่องทุกอย่างจนหมดความสงสัยสติของเราก็จะหยุดจนกลายเป็นปัญญารอบรู้ในกองสังขารของเราอย่าไปผลัดวันประกันพรุ่ง อย่าไปปิดกั้นตัวเราเองตัวจิตวิญญาณแต่ละดวงมีโอกาสพัฒนาให้ถึงจุดหมายไปทางได้าการดับการโอดการข่มการวิเคราะห์การสังเกตนี่เราพยายามได้บังไม่ได้บ้างเราก็ต้องพยายามใหม่ๆท่านึงเรียวกว่าเป็นการสวนเป็นการทวนกระแสกิเลสถ้าเราเข้าใจแล้วใจตกกระแสทำแล้วทำตามทำไม่หลงทำไม่ยึดธทำ อยู่ด้วยปัญญาล้วนๆไม่ได้ทิ้งไปในโลกนอกจากหมดลมหายใจนั่นแหละถึงจะได้ว่างสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีสักนาทีสองนาทีก็ยังดีนะมักกันไว้รพร้อมๆกันค่อยไปสร้างสารโตทำความเข้าใจกันนะ